50 languages. 81 g h t y o n e Yembatundu. Aditagan. One. Bhutakalaundu. Kian. b a r e y u d u He e n o m n อวนุวุ่นดูพัตรวั น, นุบรดิดาและเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบมัตถุอวลุวุ่นดูคากาวั น, นุบารดิดดลอ่านโวดูบูดูเขาได้อ่านนิตยสารหนึง่งฉบับอวันุวุนดูนียตกาลิกวั น, นุบูดิด และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่มอวลุวันดูพุทธกวันนูโบดิดดลูหยิบเทิดิดูคลลุรุบุดูเขาได้หยิบบุหรีหนึ่งมวนอวันุวนดูซิการ์เรตเทิดิดูคุนดาเธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น อวัลูวุ่นดูชูรูช็อกโลตติดกิด่ดขวดดลูเขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัต์อวนูอวัลิเก่โมซะมาดีดอาด ARE, อ่าดเรออวลัลูนิสต์เองดั่ออิดดลูเขาขี้เกียดแต่เธอขยันอวันูโสมารียาดิาดดาอ่าดเรออวลัลูชูรุคากิดดลูเขาจน แต่เธอรู้ไวเขาโน่บดวนากิดดาอาดเรอเอาวัลูศรีมันตลากิดดลูเขาไม่มีเงินมีแต่นี้อขาน้บลีหนวิรลิลลาบดลากีสาลกัลิดดวูเขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้ายอขานิ้เกออดริษฐาวิรลิลลา บั ल ाะกีดูราดุริวตเขาไม่ประสบความสาเร็จมีแต่ล้มเหลวอ ว, เเลวอลัลู इ ูอิรลิลบัดละกีเกวลลลตเขาไม่เคยพอใจมีแต่ไม่พอใจอวนนสันทุสตน า, าลลลบัดละกีอสันทุสตนะ เขาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เขาไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่ไม่เป็นมิตรเขาสม่ a ป็นมิตรกัรบใครม w a ต่ไม่เปาา็านมิต a